เรื่องที่20กรรมวิบากคนเราทุกวันนี้เขานิยมค้นคว้าหาความจริงทำอะไรต้องมีเหตุมีผลการชี้เหตุชี้ผลเป็นเรื่องของคนฉลาดเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นคนทันสมัยต้องเป็นนักเหตุผลไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อทีนี้ย้อนมาดูทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุคคลแรก ที่ส่งเสริมศึกษาในเรื่องเหตุผลเป็นคนแรกที่กล้าประกาศตำหนิความเชื่อที่ไร้เหตุผลชั้นที่สุดแม้แต่ใครจะเชื่อว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้เหตุผลซสียก่อนว่าคนอย่างพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรคือทรงสอนให้สาวหาเหตุผลทุกกรณีแต่ว่าสำนวนผู้ทางศาสนาเท่านั้นที่ฟังดูมันห่างหูชาวบ้านไปหน่อย คือแทนที่จะใช้คำว่าเหตุผลแต่ใช้คำว่ากรรมวิบากซึ่งที่แท้แล้วคำว่ากรรมก็หมายถึงเหตุและคำว่าวิบากก็หมายถึงผลเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมวิบากก็หมายถึงเหตุและผลที่สำนวนชาวบ้านกับชาววัดมันทำให้ไข้เขวกันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชาวผู้ที่แท้จริงต้องเชื่อกรรมวิบาก ก็เท่ากับทรงสอนว่าวิสัยของชาพุธแล้วต้องเชื่อด้วยเหตุผลพระวอวาสนี้ทรงสอนเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วคือตั้งแต่เกิดศาสนาแต่มาบัตรนี้ก็ตรงกับความนิยมของคนสมัยใหม่อย่างเหมาะเจาะน่าอัศจรรย์จริงๆหากจะถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุผลเราก็จะพูดได้อย่างเต็มปาก ปรมาครูในทางเหตุผลคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองอันที่จริงเรื่องการค้นคว้าสืบสาวหาเหตุผลนี้คนไทยเราก็อบรมสั่งสอนกันมานานสอนเล่นๆบ้างสอนจริงๆบ้างแต่จุดหมายอยู่ที่ปลูกฝังนิสัยให้คนสนใจในทางเหตุผลอย่างที่นิทานหาเหตุที่เคยเล่ากันเล่นๆ เ, เมื่อครั้งเด็กๆท่านผู้ใดจำได้บ้างนิทานหาเหตุนะ่ะ ว่าอย่างนี้คือเด็กคนหนึ่งเกิดหิวข้าวร้องไห้าจะกินข้าวแม่ก็บอกว่าข้าวยังไม่สุกรั้งรอไปอีกหน่อยก็ถามแม่อีกว่าข้าวสุกหรือยังแม่ก็บอกว่าข้าวยังไม่สุกนักข้าวเด็กน้อยคนนั้นก็เลยถามแม่ว่าข้าวมันทำไมยังไม่สุกแม่ก็บอกว่าลองถามข้าของเขาดูเองสิ เด็กน้อยจึงหันไปถามข้าวในหม้อว่าข้าวทำไมถึงยังไม่สุก ข, ข้าวตอบว่าไฟไม่ลุกนี่จึงหันไปถามไฟไฟทำไมจึงไม่ลุกไฟตอบว่าฟืนเปียกนี่หันไปถามฟืนฟืนทำไมจึงเปียกฟืนตอบว่าฝนตกหันไปถามฝนฝนทำไมจึงตกฝนตอบว่า ฟ้าร้องหันไปถามฟ้าฟ้าทำไมจึงร้องฟ้าตอบว่ากบเขียดสั่งมาหันไปถามกบเขียดกบเขียดทำไมแกจึงสั่งให้ฟ้าร้องกบเขียดตอบว่าคนเขาจะมาทำนาหันไปถามคนคนทำไมจึงจะทำนาคนก็ตอบว่าเด็กหิวข้าวเด็กจึงถามคำาสุดท้ายว่า เด็กทำไมจึงหิวข้าวเงียบไม่มีเสียงตอบนี่แหละนิทานหาเหตุเป็นเรื่องเล่นเล่นแต่ทำให้เกิดผลดีจริงๆคืออบรมนิสัยเด็กๆให้รู้จักสาวหาเหตุเดยเริ่มจากข้าวยังไม่สุกซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆทุกคนรู้จักดีนิทานแบบนี้ท่านผู้อื่นจะเห็นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ใจข้าพเจ้าจริงๆชอบชอบมากทีเดียว เป็นการอบรมเด็กตรงทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอนอยากจะให้ช่วยกันเล่าให้แพร่หลายยิ่งกว่านี้คนเดี๋ยวนี้ขอโทษเถอะจะเป็นเพราะเลิกเล่านิทานหาเหตุหรืออย่างไรก็ไม่ทราบชอบอ้างตัวว่าเป็นคนสมัยใหม่ทำอะไรนิยมเหตุผลแต่พฤติการหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีเหตุผลเพียงพอทำอะไรเจออุปสรรคนิดเดียวก็ตีโพยตีภาย เข้าทำนองตีตัวตายก่อนไข่หวังอะไรแล้วก็ไม่ได้อย่างหวังกลับโมโหโธโสเที่ยวพยาบาทคนโน้นคนนี้ตัวเองทำผิดอยู่ตรงๆพอมีคนทักว่าผิดก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้เองเนอะหรือที่เรียกว่าเหตุผลถ้าหากเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นเหตุผลที่ถูกก็นับว่าเข้าใจผิดเอาถนัดเรื่องเหตุผลนี้สำคัญมาก เวลาสาวจากผลไปหาเหตุต้องสาวให้ถูกถูกเวลาสาวจากเหตุไปหาผลต้องสาวให้ตึงๆจึงจะใช้ได้คือนักเหตุผลที่แท้เขาต้องบำเพ็ญตัวสองทางคือเมื่อเจอผลก็รู้จักสาวไปหาเหตุครั้นเจอเหตุก็รู้จักสาวไปหาผลเวลาสาวหาเหตุนั้นมีหลักว่าต้องสาวให้ถูกถูกแต่เวลาสาวหาผล มีหลักว่าต้องสาวให้ถึงถึงถูกกับถึงนี่นักเหตุผลทิ้งไม่ได้เป็นนันขาดคืนทิ้งก็จะกลายเป็นงมงายขว้าผิดขว้าถูกร้ายยิ่งกว่าคนที่เขามีแต่ความเชื่อเสียด้วยซ้ำอย่างคนเป็นไข้มาลาเรียถ้าหากผู้เป็นไข้ชอบทำตัวเป็นนักเหตุผลแต่ว่าสาวไปไม่ถูกเหตุก็อาจคิดปักใจลงไปว่าผีป่าเป็นต้นเหตุ ทำให้ตัวไข้เสร็จแล้วก็ไม่คิดไปหาหมอยาคิดแต่จะไปหาหมอผีจะคาดคันเอากับผีให้ได้ทั้งๆที่ผีก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยผลที่สุดคนไข้ก็จะตายเพราะจับเหตุผิดการคว้าเหตุผิดอย่างนี้ก็ยังมีอยู่อีกมากในสังคมของผู้ที่คิดว่าตนเป็นคนสมัยใหม่แล้ว อย่าลืมว่าใจคนเราไม่ว่าคนสมัยก่อนสมัยนี้มันก็ใจเหมือนกันธาตุเดียวกันโง่มาก่อนฉลาดเหมือนกันต่างกันแต่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นสมัยก่อนหมอยามีน้อยเพราะการแพทย์ยังไม่เจริญเมื่อหมอยามีน้อยหมอผีก็มีมากคนสมัยก่อนก็จำเป็นจะต้องฝากตัวฝากชีวิตไว้กับหมอผีแม้จะเป็นเรื่องที่ผิดแต่ก็น่าเห็นใจ เวลานี้เรื่องผีี ส, งสางๆก็เบาบางลงไปแล้วเพราะวิชาการอย่างอื่นๆเข้ามาแทนที่มากแต่พฤติการเดิมของคนเราคือการจับเหตุผิดก็ยังมีอยู่มีอยู่ที่เราเรียกว่าสมัยใหม่นี่แหละและไม่ใช่ในหัวใจคนแก่คนเฒ่าแต่ในใจของหนุ่มๆสาวๆนี่เองเพียงแต่ว่าผิดคนละเรื่องเท่านั้นเองจะยกตัวอย่างเช่น คนที่ไปรักเขาทำดีกับเขาทุกอย่างเสร็จแล้วเขาหนีไปรักคนอื่นเสียตามเรื่องเขาเป็นคนไม่ดีเหตุที่ทำให้เราผิดหวังอยู่ที่เขาแต่แล้วเรากลับมาลงโทษตัวเราเองจนถึงค่าตัวตายเพราะความผิดหวังก็มีคนที่สอบไล่ตกตกเพราะตัวเราทำข้อสอบผิดแ ท, แท้แต่ใจจริงกลับไปนึกลงโทษคนตรวจใบตอบนี่ก็จับเหตุผิด ผิดแบบนี้ยังมีอยู่อีกมากแม้แต่มีคนเกลียดคร้านงานการไม่เอาผิดอยู่กับตัวเองแทๆ้ๆยังมีผู้ป้ายร้ายว่าเป็นความผิดของทางศาสนาอบรมสั่งสอนไม่ถูกไม่ต้องแล้วแต่จะว่าที่พูดนี้เพื่อจะชี้ตัวอย่างให้เห็นเพียงแต่ว่าการคิดไม่ถูกเหตุนั้นแม้ในสังคมสิวิไยทุกวันนี้ก็มีเหมือนกัน รางของพันนี้ไม่ได้อยู่กับกาลสมัยแต่อยู่ที่ใจคนเท่านั้นไก่สมัยก่อนเกิดในฟองไข่ไก่สมัยนี้ก็เกิดในฟองไข่เหมือนกันใจคนสมัยก่อนโง่ามาก่อนฉลาดใจคนสมัยนี้ก็ฉลาดมาทีหลังโง่เหมือนกัน